ตาทันเทศกิตเจ้ามหาอำนาจเจ้าเจ้ามหาอำนาจเจ้าหน้าเจ้าตาเจ้าอำนาจวาสนาเจ้ายศเจ้าศักดิ์เรื่องของมันทั้งหมดเจ้าหน้าเจ้าตาเจ้าอำนาจวาสนาเจ้ายศเจ้าศักดิ์ นาของก่เลสทั้งหมดน่ะกิเสมันให้ทำกรรมพอทำลงไปแล้วกลายเป็นวิบากกรรมคุนขังอยู่ที่ใจน่ะทำเด่นชัดที่กายมันก็แสดงให้คนปรากฏที่กายแสดงชัดที่ใจเจตนาชัดแจ้งที่ใจ มันก็ให้ผลที่ใจมันมีโอกาสที่จะให้ผลทั้งทา ง, งกายทา ง, งใจทางใจก็คือให้วิกลวิการบ้าใบเสียจริตผิดมนุษย์ไปอย่างนั้นแหละเรื่องของกิเลสอำนาจของมันเรื่องกิเลสให้ผลเนี่ย เป็นมิสัยของพระศาสดาพพุทธเจ้าท่านกำหนดรู้ได้จะตูปปาฏิยาณยามท่ากลางแห่งราตรีที่โพลจะตัดสรุปธรรมจะตูปปาฏิยาณสักทั้งหลายเป็นด้วยอํานาจของกรรมในการจุติในการเกิดมียาณอย่างทราบอย่างทราบโอสัตว์ทั้งหลา ย, ยาเกิดด้วยอํานาจของกรรม กรรมนี้มีผลให้ไปเกิดเป็นนั้นเกิดเป็นนี้นนนมีผลมาจากกรรมนั่นเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดที่สูงบ้างเกิดที่ต่ำบ้างตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายไม่มีที่จบไม่มีจุดจบด้วยอํำนาจของเจ้าอํำนาจนี่แหละมันพาทําเจ้าอํานาจก็คือเจ้ากิเลสในหัวใจนี่แหละ ดูไปที่ความอยากเราจะเห็นเห็นมันอยู่ที่ใจของเรามันจะคอยแสดงแต่ละขณะออกมาเราดูมันปรากฏที่ใจของเรานะเพยายามดูให้เห็นนะมันละเอียดดูให้เห็นดูให้เห็นแล้วก็วิจัยวิจารณแยกแยกดูให้เห็นแล้วก็วิจัยวิจารณแยกแยกดูให้เห็นแล้ววิจัยวิจารณแยกแยกเนี่ยมันเป็นเป็การตอก่อนกับมันโดยตรงแหละ ต่อก่อนก็มันจังเลยลหละตัวนี้เพราะฉะนั้นผู้บายยานท่านจึงให้ตั้งความอยากที่เกิดขึ้นภายในจิตเนี่ยท่านให้ตั้งจิตเป็นตัวข้าศึกเป็นตัวศัตรูฝ่ายตรงข้ามกับจิตก็คือสติก็คือปัญญาคือเอาจิตนั่นแหละมาเปลี่ยนเป็นสติมาเปลี่ยนเป็นปัญญา มาเปลี่ยนเป็นสติมาเปลี่ยนเป็นสัมผชัญญะมาเปลี่ยนเป็นสมาธิมาเปลี่ยนเป็นปัญญามาเปลี่ยนเป็นฮิริมาเปลี่ยนเป็นโอตัปปะมาเปลี่ยนเป็นขันติมาเปลี่ยนเป็นโสรัจัตมาเปลี่ยนเป็นศรัทธามาเปลี่ยนเป็นวิริยะมาเปลี่ยนเป็นสติมาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสมาธิมาเปลี่ยนเป็นปัญญามี่เป็นคุณธรรม จ เ, เจริญเกิดขึ้นมีขึ้นภายในจิตศรัทธาศีลเถี่ยจาระคภาหุสัจจะฮิริโอตปปภาหุสัจจะสัมพชัญญาปัญญาเป็นคุณธรรมทั้งนั้นอ่ะคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราดึง แยกออกมาจากจิตจิตที่ประจักษ์ยุติจิตที่ประจักษ์สติจิตที่ประสัจจกษ์สัมผััญญานั่นแหละเราดึงให้ชัดเจนลงมาตั้งเจ ต, ตนาลงมาให้เป็นศรัทธาให้มีศรัทธาให้มีศีลให้มีจาคะให้มีปัญญาให้มีวิทยาให้มีขันติให้มีสัจจะรวมไปถึงเมตตาอุเบขา กรุณาสิ่งต่างๆหล่านีเน้เป็นผลของจิตที่แสดงออกมาใ น, ในทางในทางบวกในทางฝ่ายกุศลท่านเรียกว่ากุศลวิบากกุศลวิบากกุศลวิบากจิตเราเจริญถ้ามีบ่อยครั้งเข้าทำให้มีให้เกิดเป็นบ่อยครั้งเข้าสิ่งเหล่านี้ก็สะสมตัวเองน ะ, ะกลายเป็นคนมีจริต ชอบกำหนดจดจ่อชอบมีสติชอบพิจารณาไข้ครัวให้เกิดปัญญาชอบกดชอบทนชอบศรัทธาชอบกดชอบทนชอบกุยลชอบอุตสาหะชอบไค้ครวนชอบค้นคว้าสร้างขึ้นมาสร้างจนเป็นจริตสร้างจนเป็นนิสัยนี่คือเราแย่งออกมาจากความอยากโดยอำนาจของกยเลสนั่นเ ถ้าเราไม่เอาคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นฝ่ายตรงกข้ามกับมันเนี่ยมันอยู่ในอำนาจของมันอย่างเดียวมันยังามกตาทันวาน่ามันละเอียดรอจนเราไม่รู้จักไม่เข้าใจไม่ทราบเลยว่าอะไรเป็นอะไรว่ามีว่ามีสิ่งที่มีอำนาจลึกลับคอยกดขี่ขม่มเหงรางแกจิตใจของเราอยู่ข้างในเราทราบไม่ได้ ผู้ที่ท่านผู้ทีท่ท่านเห็นโทษเห็นภยัยเห็นอะไรก็หลแล้วท่านเห็นโทษเห็นภัยยิ่งกว่าศัตรูตัวร้ายกาศที่สุดที่เป็นฝ่ายปฏิปักษ์ที่จะตึงต่อกรกันยิ่งกว่าศัตรูที่เป็นฆ่าศึกที่เป็นศัตรูเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าศัตรู ที่ร้ายกาจที่สุดก็คือกิเลสที่อยู่ภายในจิตนี่แหละการที่เราชนะฆ่าศึกคูณด้วยคูณด้วยพั น, นการที่เราชนะฆ่าศึกคูณด้วยพันเนี่ยสู้เราชนะใจเราคนเดียวใจเราดวงเดียวไม่ได้ชนะใจเราดวงเดียวก็คือชนะกิเลสภายในใจนั้นแหละ กิเลภายในใจก็คืออำนาจของความหยาิเราดูผลที่เป็นพิษเป็นภัยของมันแท้ๆเราดูไปดูไปที่ความโลภของมันมันแสดงออกมาที่ความโกรธที่ความโลดที่ความอิจฉาที่ความริษยากนอุบายมายาต่างๆที่เป็นคนที่เป็นอุบายที่เป็นมายาที่มันหลอกลวงให้จิตของเราเคลื่อนไปตามมัน เริ่มไปตามมันแล้วก็พร้อมที่จะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มันเสกสรรปั้นยอยอปั้นแต่งให้ทำมากของเกลียดพน ใ, ใจมันจึงให้มีข้อปฏิบัติมันจึงให้มีข้อปฏิบัติการที่เราอยู่กับข้อปฏิบัติมันเป็นการาเริ่มฝึกหัดดัดแปลงบอกสนอนจิตของเราเนี่ย จิตคือผู้รู้นี่แหละเพื่อที่จะชักโยงมาในสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่กลบอุบายมายาคอยหลอกลวงมันเป็นเรื่องของกิเลสเอามาให้เป็นเรื่องของธรรมเอามาให้เป็นเรื่องของธรรมเช่นอย่างการการให้ทานเป็นเรื่องของธรรมการให้ทานวัตถุทานภายนอก วัตถุทานธรรมทานอภัยทานเนี่ยอาจารย์ท่านแยกออกมาให้เป็นหลักให้พวกเราจําได้วัตถุทานก็คือหัดเผื่อแผ่มี จ, จิตใจมันไปจา ก, ก จ, จิตใจจิตใจที่เผื่อแผ่จิตใจที่ไม่เจนีญจิตใจที่ไม่หึงหวมวงจิตใจที่ให้ประกอบด้วยการเห็นผลเห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์สามารถให้ทานได้เพราะการให้ทาน ให้พอให้ลงไปแล้วมันก็มีวิบากกรรบให้ทานมันก็เป็นกุศลกลายเป็นกุศลแวิบากอยู่ที่จิตการให้ทานเราจะให้วัตถุทานเราให้วัตถุห ย, ยาบๆยามันก็ได้ผลตามผลของวัตถุนั่นแหละตามตามคุณภาพของจิตที่ตั้งใจให้ให้สิ่งะละเอียดประนี้ ให้สิ่งที่ประเสริฐให้สิ่งที่เลิศย่อมถึงฐานะที่ละเอียดที่เลิศที่ประเสริฐนี่ท่านพูดถึงอา น, น, นิสงส์อานิสงส์ของการให้ให้ไปแล้วมีผลมีอานิสงส์นั่นคือวัตถุจานนั้นแล้วท่านพูดถึงการให้ทำเป็นฐานให้ทำเป็นฐานก็คือให้ความรู้ให้ความเข้าใจ คือให้วิธีการที่ดีที่งามที่ถูกต้องที่ชอบด้วยศีลที่ชอบด้วยธรรมที่เขาเรียกว่าให้ทำเป็นฐานให้ทำเป็นฐานคือให้ความรู้ให้ความรู้ให้ที่พึ่งคือบอกให้เขาทำตามวิธีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาจะได้จำได้และเอาไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาได้รับเขาได้เป็นที่พึ่งได้เป็นที่พึ่งแก่เขาเดียกว่าให้ทาเป็นฐาน รวมไปถึงการบอกการสอนวิธีการให้รู้จักการระงับดับกิเลสวิธีปฏิบัติวิธีการตอก่อนอย่างเยี่ยงอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอนนั่นแหละคือการให้ทําเป็นทานคือให้ความถูกต้องเป็นทานให้ข้อปฏิบัติเป็นทานและให้รู้ให้เข้าใจให้ทำเป็นทานอันนี้มีผลมากกว่าให้ให้ให้วัดถุกทาน มีผลมากกว่าให้วัตถุทานการให้ทําเป็นทานการให้ทําเป็นทานการให้อภัยทานอันนี้มีผลอย่างยิ่งสำหรับผู้ให้อภัยมีผลอย่างยิ่งให้ทําเป็นทานมีผลทั้งผู้ผู้ให้แล้วก็มีผลทั้งผู้รับก็เหมือนอย่างพระพุทเจ้าท่านสอนสอนลูกศิษย์นั่นแหละเป็นเหตุให้ลูกศิษย์ได้บรรลุธรรมตา ม, ามนี่คือการให้ทําเป็นทาน เขาตั้งใจประพฤติปฏิบัติน้อมใจเชื่อปฏิบัติไปตามนั้นเขาก็ได้บรรลุธรรมตามท่านได้ยินได้ฟังอัดทำแล้ว ก, การให้อภัยทานอันนี้ผู้ให้อภัยเนี่ยนยได้ผลที่ยิ่งใหญ่ได้ผลที่ยิ่งใหญ่ก็คือการเสียสละไม่ถือโทษโกรธเคืองถ้าเรียกว่าให้อภัยเช่นอย่างมีอีกคนหนึ่งทําผิดพลาด เขาจะขอโทษขอภัยก็ตามเขาไม่ขอโทษขอภัยก็ตามแต่เราให้อาภายัยให้อาภัยเป็นฐานให้อาภัยทานนอกจากการให้อาภัยทานด้วยการประพฤติผิดพลาดต่อกันแ ล, นแล้วก็มีการให้อาภัยทานต่อชีวิตสัตว์อย่างเงี้ยไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยคือให้ชีวิตเขาเขาก็มีชีวิตอยู่ได้ต่อไปให้อาภัยทาน อย่างที่ท่านว่าเขตอภัยทานเขตอภัยทานก็คือเขตที่ไม่ให้เบียดเบียนสัตว์ไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ให้เบียดเบียนสัตว์การให้อภัยยทาา น, นั้นเป็นการสละกิเลสภายในใจออกสละความโลภภายในใจออกสละความโกรธภายในใจออกนี่มันเป็นการสละกิเลสโดยตรงถ้าเราน้อมมาตรงนี้นี่ถือว่าเป็นการน้อมรับเอาธรรม เสียสละกิเลสต่างๆเหล่านั้นไม่ถึงโทษโกรธแค้นเสียสละกิเลสเป็นเหตุให้ จ, จิตใจอ่อนน้อมอ่อนนิ่มมีเมตตามีกรุณาอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อดึงจิตให้เด่นออกม า, าจากทานมาคือข้อปฏิบัติก็คือสินจากสินก็คือสมาธิก็คือปัญญาาำสอนให้ข้อปฏิบัติ ข้อปฏิบัติต่างๆเรานี่ยเป็นมันเป็นการยื้อแย่งจิตออกมาจากกิเลสยื้อแย่งผู้รู้นั่นแนหะออกมาจากกิเลสยื้อแย่งผู้นึกยื้อแย่งผู้คิดให้มาอยู่มาอยู่ในอำนาจของสติธรรมให้มาอยู่ในอำนาจของปัญญาธรรมอยู่ในฮิริธรรมอยู่ในโอตตะปะธรรมอยู่ในขันติธรรมอยู่ในโสรัจัธรรม อยู่ในวิริยะธรรมความอดความทนความอุ่สาพยายามความภาก ค, ความเพียรให้จิตมันมาอยู่กับคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้สติเจ้าของเนี่ยเด่นขึ้นกับสัมปชัญญะเจ้าของนี่เด่นขึ้ น, าญญา น, น, นจนกลายเป็นปัญญาสามารถหันมาส่องดูตัวเราตัวตัวเองได้นะ ถ้าเราปราศจากสติทำปัญญาธรรมแล้วโอกาสที่เราจะหันมาส่องดูตัวเองส่องดูกิริยากายของตัวเองกิริยาวิชาของตัวเองกิริยาจิตของตัวเองนี่ด้วยความลุ่มหลงโอกาสที่จะทําให้เราหันย้อนมาเนี่ยมันก็ไม่หันมาและมีแตะเกียร์มันบอกไปยังไงก็พุ่งไปตามมันอ่ะมันบอกอันสวยนะพุ่งไปตามมันอันนั้นน่าชอบใจนะพุ่งไปตามมันเรื่องนั้นแปลงนะพุ่งไปตามมันหละ สิ่งไหนที่มันสนอกสนใจเนี่ยเป็นเหตุวัดดึงจิตเราไปหมดะไม่มีสติไม่ปิดไม่มีสัมผัสัญญะไม่อยู่กับเนื้อสติสัมผััญญาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นตัวของตัวมันดึงไปหมดะไปทําผิดชอบชั่วดีอะไรยังไงไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจหลอะอไปทําเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงมาสํานึกได้โอ้ต้องโทษใช่แล้วอืมโอ้ต้องโทษใช่แล้ว ต้องโทษเสแล้วเนี่ยลงมือทํานิดหน่อยานั้นแหละมันให้ผลเป็นเดือนเป็นปีเป็นพบเป็นชาติมาดูกี่กี่ครั้งต่อกี่ครั้งกว่าจะให้ผลหมดหยิ่งถึงขั้นฆ่ากันตายด้วยแล้วนี่ก็โอ้เป็นบาปเป็นกรรมฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอรหันต์เช่นอย่างพระโมคคัลลานะอันเงียบแม้แต่ชาติสุดท้ายเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเป็นผู้เลิศทางฤทธิ์ด้วย ก็ยังไม่พ้นจากรัศมีของของคำนัตกรรมที่เคยฆ่าฆ่าพ่อข่าแม่ละมุกอลนนะเกิดมาชาติไหนถูกแต่เขาฆ่ า, าเกิดมาชาติไหนก็ถูกแต่เขาฆ่ า, าอันนี้หมายถึงว่าพ้นออกมาจากอเวจี v G แล้วไปอยู่ในอเวจี v G มหานรกไม่รู้กี่กับกี่กันแหละกว่าจะโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาก็ไม่ใช่โผล่ขึ้นมาเป็นมนุษย์เลยอต้องไปเข้าหลุมนั่นซะก่อน นรกขุมนั้นนรกขุมนี้กว่าจะโผร่ขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์พอโผอขึ้นมาเป็นมนุษย์อีกก็ทูฆ่าอีกห้าร้อยชาติแม้แต่ชาติสุดท้ายเนี่ยอแม้แต่ชาติสุดท้ายมันก็ยังตามมาเป้าวิบากขันคือขันทั้งหเนี่ยมันเป็นผลของมันมันเป็นผลิตผลของมันมันเป็นผลกรรมของมันมันยังเกาะมันยังเกี่ยวข้องอยู่กับ กับกบนามธรรมกับนามธรรมที่พามาปฏิสนธินามธรรมดวงนั้นแหละพามาปฏิสนธิแล้วก็ได้รูปธรรมอันนี้มันก็ตามมารังควานมันตามมารังควานนามธรรมไม่ได้เนื่องจากว่าปฏิบัติธรรมหลุดไปแล้วพ้นไปแล้วพ้นจากอํานาจของมานของพยามมารคือกิเลสไปแล้วที่เขาเรียก ว, ว่า ก, กิเลสสมานพ้นจากอํานาจมันไปแล้วแต่ยังมีวิบาก วิบากขันที่เป็นรูปธรรม tomar, คือร่างกายอัตภาพรนะ่างกายมันก็ตามมาเอาร่างกายอันนี้เป็นผลผลของมันความบริสุทธิ์ของใจความเป็นพระอรหันนั้น อ, อมันเป็นความบริสุทธิ์ของใจไม่ใช่ความบริสุทธิ์ของกายมันเป็นความบริสุทธิ์ของใจร่างกายเป็นวิบากของกรรมเก่าเป็นผลของกรรมเก่าเพราะฉะนั้นกรรมมันก็ตามมาเอาผลกรรมของมันเนะี่ มคคัลลานะถูกโจรมาทุบมาตีพโจรมาครั้งแรกท่านก็ทราบเพราะท่านเป็นผู้มีฤทธิ์ท่านก็หอกท้าหน้าต่างโจรก็มาทําอะไรไม่ได้มาครั้งที่สองท่านก็ห่อออกท้าหน้าต่างโจรก็ทําอะไรไม่ได้พอมาครั้งที่สามเนี่ยท่านระลึกถึงกรรมโอ้กรรมของเราพอมาพิจารณาถึงกรรมแล้วก็เออกรรมมันจัดสรนซะ ให้มันเสียดเสียดกันซ ะ, ะระลึกย้อนถึงกรรมที่เจอของเคยเคยมีมาเคยทำมาก็ไยให้มันมันตามเอาผลกรรมของมันไปซ ะ, ะพระองค์ก็ท่านก็ไม่ไม่ห่อแหละก็อยู่ในนั้นแ่ะโจนเขาไปทุบไปตีจนคิ่ว่าตายแล้วแหละคิดว่ามารณภาพเนะ่เอาท่านไปโยนไว้ที่พู่ไม้แต่ท่านไปยังไม่นิพพานเพียสีเดียว ตื่นขึ้นมาฟื้นขึ้นมากขาเยียวยาด้วยฌานสมาบัติก็ เ, เลยมากราบลาพระพุทธเจา้ามาทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะเข้าสู่นิพพานสาเหตุก็คือพระมโมคคัลลานะเนี่ยท่านมีฤทธิ์ท่านสามารถลงไปนรกไปเอาข่าวนารกญาติของคนนั้นตกนรกอยู่อย่างนั้นอย่นั้นอางนั้าสั่งมาอย่างนั้นาาอย่างนั้นอย่อยบอกเขาขึ้นไปบนสวรรค์ก็ไปเห็นญาติ ไปเห็นเทวดาตนนั้นเป็นญาติของคนนี้เขามีทรัพย์สมบัติมีทิพยสมบัติเขาได้รับความสะดวกสบายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเอาข่าวนั้นมาบอกมาสอนกับให้กับชาวโลกให้กับชาวบ้านชาวบ้านได้ยินได้ฟังชาวบ้านก็เกิดความเลื่อมใสศรทัทธาเลื่อมใสศรัทธาพระพระโมคคัลลนะพระสารีบุตรพระพุทธเจ้ารวมทั้งพระสาวกทั้งหลายที่ บำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็ได้อัดได้ทําทําให้พวกเดรัจฉีเนี่ยเสื่อมลาบคือนักบวชนอกศาสนาเนี่ยเสื่อมลาบพอเสื่อมลาบเขาก็มามาพยายามจะแก้ไขเหตุการณ์อะไรทีนี้มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะพระโมคคัลลานะ น, นี่แหละไปเอาข้อลี้ลับจากนรกมาบอกชาวบ้านให้ชาวบ้านเรื่อมใสศรัทธาไปเอาข่าวบนสวรรค์มาบอกชาวบ้านชาวบ้านเรื่อมใสศรัทธา ก็เลยมาจัดการพระมกคัลลานะซะแน่เห็นไหมเราดูวิธีการที่ที่กรรมมันให้ผลเนมันก็ให้ผลลักษณะอย่างนี้แหละเราเราวามันก็ให้ผลลักษณะนี้ไม่ใช่เราเคยฆ่าคนไหนแล้วคนนั้นก็จะต้องมาฆ่าเราไม่ใช่นะะไม่ใช่เราเราฆ่านายก่อนนายก็จะต้องมาฆ่าเราไม่ใชอ่อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ที่มาต้องมาฆ่าเรามันเป็นการสนองกรรม คือเหตุที่เราทำลงไปแล้วกรรมเหตุของกรรมที่เราทำลงไปแล้วมันมีผลผลอันนั้นแหละมันจะ ย, ย้อนมาตอบสนองเราแหละให้เราได้รับความทุกข์ได้รับความยากได้รับความลาบากบางทีก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ให้ให้ได้รับความอับอายอย่างนี้ได้รับความอับอายเพื่อแก่บางทีก็บางทีก็ด้วยอำนาจของกรรมเนี่ย ถ้าใครเคยอ่านหนังสือทอเรืยงพิบุรเรื่องลุง ล, า น, า, น ล, า, นลงานจานใบลานน่ะลุงตาลจานใบลานทอเรืยงพิบุรเขาเขียนเราเราเราเคยเราเคยอ่านดูลุงตาลจานใบลานคือลุงตาลเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนลุ ง, ลงตาลอยู่ในวัยธรรมหากินมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนทํางานทําการรวมกัน เพื่อนทํางานทําการรวมกันทนี้เพื่อนคนนั้นอ่ะเพื่อนเพื่อนคนนั้นเนี่ยดูเหมือนจะมีทรัพย์มีอะไรอยู่กับลุงตาเนี่ยแหละเกี่ยวข้องกันอาจจะเป็นลุงตาหยืมเงนินยืมทองหรือยืมอะไรนี่แหละคล้ายๆครับว่าเป็นคนจะเป็นคนติดหนี้หรือจะเป็นคนมีทรัพย์อะไรผูกพันว่าทรัพย์ของเพื่อนนมาอยู่กับลุงตาล อยู่กับลุงตาลเนี่ยเราก็เคยดูตั้ง น, น, นั้นแลละลืมลืมนั้นแหละนี่ลุงตาลลุงตาลก็พยายามจะหาเรื่องกําจัดเพื่อนน่ะะเพื่อที่จะเอาทรัพย์หรือเพื่อที่จะไม่ต้องเสียหนี้หรืออะไรนี่แหละแล้วก็มีวันหนึ่งข้ามนั่งเรือข้ามฟากพอนั่งเรือข้ามฟากมาพอนั่งเรือข้ามฟากพอดีฝนตกพายุมามันทําให้ ให้เรือเนี่ยโครงเพลงโครงเพลงพอดีพอดีก็เพื่อนคนนั้นก็เมาด้วยนะเพื่นอนคนนั้นก็เมาด้วยก็ทําเป็นเซไปเซมาเซมาเซไปก็ไปทำเป็นไปชนคนนั้นอนะ่ะทําเป็นไปชนเพื่อนทําให้เพื่อนกระเด็นตกลงในน้ำเนะี่ยแล้วคนเมามันจะช่วยตัวเองได้ไงช่วยตัวเองไม่ได้ก็เลยตายจมน้ําตายาเพื่อนจมน้ําตายพอเพื่อนจมน้ําตายไป ลุงลานเขาก็อยู่อพอดีลุงลานได้ลูกมาพอดีได้ลูกมานี่ยลูกนี่หน้าตาน่าเกลียดหน้าชังมากเลยนะลูกเนี่ยเป็นลูกผู้ชายหน้าตาน่าเกลียดหน้าชังมากอ๋อทีนี้เวลาเขาอยู่บ้านอ่ะสองคนกับลูกเน่ยเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาดูไปชี่ลูกเนี่ยเหมือนกับลูกเนี่มันเยอะเย้อมันเกิดมาเพื่อที่จะมาแก้แค้นเนี่ย ว่าลูกคนนั้นอนะ่ะคือเพื่อนเลยมาเกิดวันนั้นเลยเพื่อนเพื่อนคนนั้นอนะ่ะมาเกิดเป็นลูกของลุงตานะ่ะมาเกิดเป็นลูกของลุงตาลแต่ลูกคนนี้ก็ใบใช่ไหมนะใบใบเป็นคนไม่ค่อยจะสมประกอบอะไรนะเป็นคนใบพูดไม่เปลี่ยนพูดไม่อะไรหน้าตาก็น่าเกลียด น, น่าชังมากวันนั้นเลทีนี้เวลาเขาอยู่โดยลําพังกับลูกเขาเนี่ย เขามองดูลูกเขาเนี่ยเหมือนกับลูกเกิดความรู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยมันเกิดเป็นลูกเขาอดูหน้าดูตาทีไรก็เหม่อมือนก็บเหมือนเขาลูก่มันยเยอะเย้ยเยาะเย้ยงั้นเยาะเยอยนี้จะแก้แค้นงั้นจะแก้แค้นอย่างา ง, ากกางี้เนี่ยจะมีมีวันหนึ่งกดอดทนทนไม่ได้แล้วไปบีบคอลูกเพราะไปบีบคอลูกเมียเห็นเลยนี่เมียเห็นก็เลยแก้ตัวโอ้ยเห็นมันไม่พูดะมันใบมันอะไรกัน บีไปให้มันพูดนะแก้ตัวไปเกลื่อนแล้วไปลูกคนนั้นก็ยังไม่เป็นไรลูกก็ยังไม่เป็นไรทีนี้นพออยู่มายังเด็กๆอยู่นะเนี่ยกําลังจะหัดคลานหัดเดินเปรี้ยปะเนี่ยแะยังไม่โตน ะ, ะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งไม่รู้วันนั้นน่ะเป็นวันที่อะไรชาวบ้านชาวเมืองเข้าไปสนุกสนานงานอะไรก็ไม่รู้นะ นี่ก็นอนนอนพอนอนนอนพอนอนหลับตื่นขึ้นมามันเคลิ้มเคลิ้มเหมือนเหมือนก็มีอะไรมาสะกด่ะลุกขึ้นมาได้อะไรไม่ได้ปรากฏว่าปรากฏว่าลูกคนนั้นอ่ะมาถือตะเกียงมาถือตะเกียงมาแล้วจุดมุง้งอ่ะจุดมุ้งอ่ะลูกตาก็เหมือ น, น, นถูกอะไรสะกดนะวิ่งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ถูกไฟเคราะอยู่นั่นแหละถูกไฟครอกอยู่ในนั้นนะ แต่เมียก็ปรากฏว่ายังอยู่นะยังอยู่ในบ้านอยู่ในสุขเลยได้ช่วยกันหลังจากช่วยกันเสร็จก็ลุกตาเนี่ยวิกลวิการเสร็จแล้วเพราะถูกไฟครอกไม่ถึงกับตายนะไม่ถึงกับตายถูกไฟคลอกเนื้อหนังเหี่ยวเนื้อหนังอะไรในเหีย่ยวย่นไม่เป็นผู้เป็นคนแหละที่เมียเมียเข้าใจว่าตายมีเข้าใจว่าตายก็เลยก็เลยเอาไปทิ้งไว้ที่สลาวัด เอาุงตานะไปทิงไว้ที่สระวัดนะแล้วก็ลูกลูกชายคนนั้นอนะ่ะปรากฏว่าไม่กี่วันนะลูกชายคนนั้นก็ป่วยแล้วก็ตายอยางนั้นนะนี่เขาว่าเพื่อนที่เคยเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนกันเนะมาเกิดเพื่อมาแก้แค้นกันอนะ่าไมาเกิดเพื่อมาแก้แค้นกันที่ลุงตาแต่ก็กลายเป็นคนไม่มีญาติอยู่ที่วันแต่ก็มีความรู้แกจานใบลานจานตัวหนังสือนดี แกเลยกลายเป็นคนวัดอยู่กับวัดอยู่กับพระอยู่กับอะไรช่วยจานหนังสือดูอะไรช่วยอะไรต่ออะไรไปแต่ว่ารูปร่างอะไรไม่สมประกอบหรอกไม่สมประกอบหน้าตาหน้าเบียวหน้าชั่งเพราะเพราะมันถูกไฟคขอกที่นี้ดูมันจะ คนเขาต้องการเรื่องหรื อ, อยังไงเนี่ยไปถามคนนี้ไปถามวามถามความเบื้องหลังไอ้ลุงตาลคนนี้ก็เลยเล่าให้ฟังก็เลยได้เรื่องมาเขียนนี่เรื่องมันก็เลยทำให้เราคิดได้ว่าเกิดไอ้ที่เป็นเวรเป็นภยัยเป็นกรรมกันเนี่ยสามารถมาเกิดเป็นพ่อกันได้สามารถมาเกิดมาเกิดเป็นลูคนกคนกันก็ได้เพื่อแก้แค้นกันบางคนก็มาเกิดด้วยกันเพราะว่ามีบุญ เกี่ยวข้องกันบางคนก็มีบาปเกี่ยวข้องกันเห็นไหมกรรมมันมีทั้งกรรมดีพาให้เรามาเกิดด้วยกันมันมีทั้งกรรมชั่วพาใเรามาเกิดด้วยกันเกี่ยวข้องกันมีเอือําน้าของกรรมการให้ผลของกรรมการให้ผลของกรรมนเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเข้าใจท่านทราบแต่อย่างพวกเราเราลึกลึกไม่ได้ว่า กรรมอะไรที่จะให้ผลเรานอกจากปาลริยเจ้าบางองค์บางท่านท่านรู้ว่าท่านทำกรรมนั่นที่ท่านได้รับผลอย่างนี้เพราะท่านทากรรมนั้นที่ท่านได้รับผลอย่า ง, างนี้เพราะท่านได้รับกรรมท่านทำกรรมนั่นมาถึงยังไงก็ตามเวลาเราประสบพบเห็นหรือว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นกับตนก็ตามเนี่ยท่านให้เราลึกถึงกรรมเสมอเราประสบสุขสะดวกสบาย จเจริญรุ่งเรืองก็ไม่ให้เราลืมกรรมให้ระลึกถึงกรรมของตัวเองเราจะทุกข์ยากลาบากกันดารยังไงก็ตามท่านก็ไม่ให้เราลืมระลึกถึงกรรมของตัวเองอะเระลึกถึงกรรมของตัวเองนอกจากเราลึกถึ ง, ถงกรรมดีของตัวเองกรรมชั่วของตัวเองแล้วเห็นคนอื่นท่านก็ให้ระลึกระลึกถึงกรรมเหมือนกัน เขาอยู่ดีมีสุขก็ให้ระลึกถึงกรรมของเขาโพรกรรมเขาดีทําให้เขาเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีมีสุขเขาทุกอย่างลําบากด้วยอดอยากลําบากยากแค้นด้วยเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยประสบเคราะห์กรรมอย่างใดอย่างนึ่ก็ให้เราลึกราลึกถึงกรรมโพรเขาได้กรรมไม่ดีเราลึกถึงกรรมท่านจึงไม่ให้ลึมไม่ให้ลืมที่จะระลึกถึงกรรม การตามพิจารณากรรมมันเป็นเหตุทําให้เราเนี่ยยอมรับความจริงกรรมบางอย่างที่ทําให้เราได้รับความทุกข์ยากความลําบากลำบากกายลําบากใจทุกข์ใจอย่างเนี้ยทุกขโทมโตรมใจเนี่ยให้เราตามระลึกถึงกรรมแล้วก็ย้อนไปดูถึงเรื่องราวเท่าที่พอจะระลึกได้ว่าเราเคยประกอบกรรมทําเขียนอะไรไว้ทีแล้วเราก็ยอมรับนะ โอ้ใช่อันนี้เรายอมรับเราทําอย่างนี้จริงเรามาประสบทุกทุกยากลําบาอย่างนี้เราทำความทุกความยากเราทํากรรมอย่างนั้นจริงเมื่อเรายอมรับกรรมเท่ากับว่ากรรมนั้นก็จะเริ่มอมโหสถกรรมให้กับเราแลละเมื่อเรายอมรับกรรมก็แสดงว่าเรายอมรับความจริงเมื่อเรายอมรับความจริงแสดงว่าเราเริ่มเข็ดเราเริ่มหลาบแหละโอกาสที่เราจะไปทําชั่วช้าหลามกแบบนั้นเพื่อจะเปลี่ยนเหตุให้เราได้แล้วได้อีกเนี่ย เราก็จะไม่ทำนั่นแหละมันอย่างที่เคยเล่าให้ฟังพ ร, ระเตมีสมัยพระพุทธเจ้าเกิดเป็นเตมีใบายยทาั้งๆ ท, ที่พระองค์เป็นรัรชทายาทเพื่อที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อจากพ่อเป็นมกุฎราชกุมารว่างั้นกันเตมีใบยยในชาติถงไปอ่านดูในชาติถงพอมาเกิดแล้วก็ระลึกได้ระลึกถึงชาติคนหลังได้โอ้ เราเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินแบบนี้แหละเราตายไปไปตก น, นรกบอกไม่ไม่รู้กี่กับกี่กัน่เลยเกิดวันวิตกเกรงกลัวที่จะต้องจะต้องไปทนทุกข์ทรมานแบบนั้นเพราะว่าการที่ไปทนทุกข์ทรมานขนาะนั้นมันเข็ดมันหลาบมาในใจย่งพอแรงแล้วละ่ะเพราะอะไรเพราะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินการที่จะมาปกครองบ้านเมืองการที่จะมาวินิจฉัยไข้ไทนให้เป็นไปตามหลักความเป็นจริงทั้งหมดเนี่ยมันย่อมเป็นไปไม่ได้ บางทีก็ถูกก็ว่าผิดบางทีก็ผิดก็ว่าถูกบางทีก็มีอคติอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างต้องตัดสินต้องประหัตประหารต้องต่อสู้ต้องฆ่าคนต้องอะไรต่ออะไรสารพัดนี่มาทะลึกถึงก็เลยเลยแกล้งทําเป็นง่อยทาเป็นเปรี้ยวทาเป็นง่อยทําเป็นเปรี้ยมาจนจนจนร่างกายใหญ่ใหญ่อหละจนเป็นนมะ อพอมาระลึกได้เราเลยทําเป็นหง่อยทําเป็นอใบทั้งพ่อทั้งแม่ก็ผิดหวังนั่นแหละว่ามีลูกชายคนเดียวว่ายายสืบสันติวงศ์อ่ะแต่แล้วลูกมาเป็นอย่างนี้ซะในที่สุดโหยก่อนทำนายอย่างนั้นทานายอย่างนี้ลูกกาลกินีอย่างนั้นลูกกาลกินีอย่างนี้แต่ก่อนที่จะเออลูกไปทิ้งนี่ก็หาวิธีธรมารทให้ลูกหละว่าลูกนี่ เป็นบ้าเป็นใบเป็นอะไรจริงหรือเปล่าหาอะไรไปทรมานหาอะไรไปล่อหาอะไรไปเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยลืมจากการแกล้งทำแกล้งทำเป็นไบแต่ในที่สุดท่านต้องใช้ความบดความทนอย่างยอดเยี่ยมแบบนั้นเถิดรักษาตัวจนรอดจนเขาเชื่อสนิทใจว่าเป็นใบพอในในที่สุดก็พ่อกเลยให้เอาให้อํามัดเอาไปฟัง เอาไปฝังทิ้งคนกาลาตินีให้ให้ให้ใส่รถเอาไปทิ้งให้ใส่รถไปแล้วก็ไปขุดหลุมแล้วฝังทิ้งในป่าแต่มีใบใครใครไปอ่านดูทีนี้ก็ไปกับไปกับสารธีไปสารธีสารธีก็ใส่รถไปขับม้าไปพอไปถึงป่าพอไปถึงป่าก็จอดรถจอดรถเอาไว้นั่นแหละแล้วก็โกมารก็อยู่ในนั้นแหละแต่มีเนี่ พระเตมีน่ยก็อยู่บนนั้นแหละที่ก็ลงไปขุดหลุมนี่ยขุดขุดขุดขุดขุดขุดเพื่อจะฝังฝังกุมารเนี่ยแหละพอหลังจากขุดทีนี้พระเตมีก็ได้ช่องแหตอนนี้เพราะว่าได้ออกจากบ้านจากเมืองออกจากพระนครไปแล้วก็อยู่ในป่าได้ช่องได้โอกาสแล้วตอนนี้ก็เลยแสดงฤทธิเดชเหยียดซ้ายเหยียดขวาแสดงพลังขึ้นมาน่ะเสร็จแล้วก็เดินไปยืน เดินไปยืนดูสารถีที่กาลังทำหลุมยุนถามว่าท่านขุดอะไรขุดทําไมนะฮะทั้งนทั้งขุดไม่ได้เงยมาดูเลไม่ได้เงยมาดูอ่ะทั้งขุดทั้งตอบคนนี้แหละจะฟังพระกุมารนี่แหละจะฟังคนใบ้เนี่แหละว่างั้นเถอะก็จะฟังคนใบน้เ น, น, นี่พอเงยขึ้นมาพอเงยขึ้นมาเห็นว่าเป็นพระกุมารนี่แหละมายืนมายืนพูดด้วยอะไรด้วยก็เลยเป็นเรื่องแปลก แปลกใจมากก็เลยมาสืงมาสอบมาถามมาอะไรต่ออะไรแล้วก็ว่าพระกิบุมาเนี่ยมีกําลังวังชามีกําลังวังชามีอะไรต่ออะไรก็ไม่บ้าบไม่ไบไม่ง่อยไม่เปรียยเป็นคนปกติก็เลยมารู้มาทราบได้หลังจากนั้นมาก็ดีใจเลยทีนี้ว่าจะกลับไปบอกพ่อสรทีรืว่าจะกลับไปบอกพระเจ้าแผ่นดิน ว่าพระภูมา น, น่ะไม่เป็นบ้าเป็นไบเหมือนอย่างที่ที่ว่าหรอกอ่าแล้วก็ชวนกลับไปเตมีไบเขาไม่กลับแหละได้ช่องได้โอกาสแล้วไม่กลับแล้ ว, ลลวเรื่องอะไรจะกลับแหละก็เลยเกาะบวชเป็นฤๅษีชีพายอยู่ในป่าทีนี้สารถีก็เลยไปบอกไปบอกพระบิดาประมารดาเพราะไปบอกบิดามารดาก็ดีอกดีใจแหละพากันยกขบวนมาทั้งหมดนั่ะมาที่ป่าน ในที่สุดก็มาบวชเป็นริวศีชีไพรกันอยู่ในป่าบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่า mm. ก็ได้อัดได้ทำตายแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์พรหมโลกไปตามๆกันแน่ใช่หไหมมีคืออะไรคือเห็นโทษเห็นภยัยการที่ยอมรับกรรมการที่ยอมรับกรรมหมายวา่าการยอมเห็นโทษยอมเห็นภยัยยอมรับกรรมเห็นกรรม แล้วก็มีความเข็ดมีความหลับแล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนทิศทางมีโอกาสที่จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนอะไรเพราะฉะนั้นโบราณรวมไปถึงวิธีการพิจารณาแบบธรรมท่านจึงไม่ละไม่ให้เว้นพิจารณาถึงกรรมดีของตนเวลาถึงเราตกทุกข์ได้ยากก็พิจารณาถึงกรรมไม่ดีของตนอเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากก็พิจารณาถึงกรรมไม่ดีของเขาอ เป็นเขาสุขสบายมีความเจริญรุ่งเรืองก็พิจารณาถึงกรรมดีของเขาแล้วก็อนุโมทนาสาธุการพิจารณาถึงกรรมไม่ดีของเขาเพื่อที่จะเข็ดที่จะลาบพิจารณาถึงกรรมดีของเราก็เพื่อได้กําลังใจพิจารณาถึงกรรมไม่ดีของเราก็คือเพื่อที่จะยอมรับผลกรรมนั้นเพื่อที่จะเข็ดเพื่อที่จะลาบอันเป็นผลนั้น ไปดูที่ในบทอุเบกขาเนี่ยจะให้พิจารณากรรมสกุมีกรรมดายาโรกรรมยนิกรรมบันทุกรรมปฏิติสนานมีกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมดีหรือชั่วไว้จะเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นมี่ท่เรียว่าอุเบกขาเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาในพรรมวิหาร พรหมวิหารเนี่ยคือเมตตาช่วยอย่างนั้นแล้วก็แล้วช่วยพูดแล้วก็แล้วช่วยบอกแล้วก็แล้วช่วยออกแรงกายแล้วก็แล้วช่วยออกแรงใจแล้วก็แล้วช่วยอย่างนั้นแล้วก็แล้วช่วยอย่างนี้แล้วก็แล้วไม่สามารถจะทำให้คนนั้นเนี่ยเป็นไปตามเป็นไปดังเป็นไปตามใจหวังเราเราได้เมตตาแล้วกรุณาก็แล้ว พลอยยินดีก็แล้วช่วยยังไงก็ช่วยไม่ได้ในสว่วนของาพิจารณาถึงกรรมเนี่ยเมตตากรุณาเมตตาคือความสงสารรักใครกรุณาคือการต้องการให้เขาพ้นจากทุกข์มุติตาก็คือพลอยยินดีไม่อิจฉาดิษยาพยาบาทอิจฉาเขาดิสยาเขาและก็อุเบกขาก็คือพิจารณาถึงเรื่องกรรม พิจารณาถึงเรื่องกรรมนี้เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องมันมันเป็นเหตุให้สลดให้สังเวชแล้วก็เป็นเหตุให้เข้าถึงสัจจหลักของสัจธรรมมีเมตตากรุณามุทิตาวิคขาฤศีชีพลสมัยตะก่อเขากพิจารณาปร ม, มวิหารแค่นี้ก็ทําให้จิตได้รับความสงบได้ชาญแล้วก็เจริญชาญให้ละเอียดลึก ย, ยิ่งขึ้นไป ย, ยิ่งไปตายแล้วก็เกิดเป็นพระรหมนี่แหละตะมาพระพรหมพรหมวิหานี่หแหล ะ, ะที่อยู่ของพรหมพรหมวิหารแปลว่าที่อยู่ของพรหมพรหมอยู่ได้เมตตากรุณาุฏิตายุเบขาอุเบข า, าไม่ใช่ท่านอยู่เฉยๆท่านวางเฉยนะไม่ใช่ท่านเฉยเมยโดยที่ไม่สนอะไรนะท่านพิจารณาที่ใจโอ้อมีกรรม สัตมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมดีหรือชั่วอาไว้จะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราออากายทำกรรมเราอาใบจาทำกรรมเราอาใจทำกรรมในเมื่อเราทำลงไปแล้วการที่เราตั้งใจทำกรรมมันเป็นการลงมือสร้างเหตุเมื่อเราสร้างเหตุลงไปแล้วเย เราจะต้องได้รับผลอันนี้ก็เป็นเหตุให้เราเข้าใจเรื่องหลักของเหตุและผลเรื่องหลักของกรรมเรื่องหลักของเหตุผลเรื่องหลักกุศลอกุศลเรื่องหลักของบุญเรื่องหลักของบาปถ้าจะถ้าเราจะว่าไปแล้วเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันเรื่องหลักเหตุกับผลเหตุ ด, ดีผลก็ดีเหตุบุญผลก็บุญ เหตุกุศลผลก็กุศลเหตุชั่วผลก็ชั่วเหตุบาปผลก็บาปเหตุอกุศลผลก็อกุศลทำเหตุอย่างใดก็ได้รับผลอย่างนั้นถ้าเราจะเทียบไปแล้วเป็นอันเดียวกันสรุปลงแล้วพระพุทธเจ้าสอนเรื่องหับเหตุกับผลทั้งนั้นที่ั่นเกิดจากเหตุท่านพูดถึงความเกิดเกิดจากเหตุเมื่อจะดับก็ดับเหตุ เช่นอย่างกองทุกข์คือรูปปักษันของเรานะเกิดจากเหตุเวลาเราจะดับเราจะต้องดับเหตุไม่ใช่เราไปดับกองทุกข์คือผลร่างกายของเราที่เป็นกองทุกข์จิตใจของเราเป็นกองทุกข์กองทุกข์นี่เป็นผลนะจิตใจของเราเป็นผลวิบากกรรมของเราเป็นผลร่างกายของเรานี่เป็นผลเกิดขึ้นมาจากเหตุเหตุเกิดของกายอันนี้เคยพูดให้ฟังอยู่เรื่อยๆเนืองๆ ทางด้านรูปธรรมเราก็ได้มาจากพ่อจากแม่ทางด้านนมามธรรมเราก็ได้มาจากอํานาจกรรมที่มีอยู่ภายในใจของเราเนี่ยนะอํานาจกรรมอันั้นแหละเป็นสมุดไทยเป็นตัวสมุดไทยเราเทียบเคียงได้นับตั้งแต่กรรมหยา บ, ยาบมาจนถึงกรรมละเอียดมาจนถึงกรรมที่เข้าต่อกอนการที่เราเรียกว่าหลักของอริยสัจสี่ที่เจรณาเพื่อถอดเพื่อถอน เ, เพื่อทําลายตัวสมุดไทย เป็นหลักเป็นลักของเหตุเป็นหลักของผลสมุทัยเป็นเหตุสมุทัยเป็นเหตุทุกเป็นผลมรรคเป็นเหตุนิรโรธเป็นผลที่ท่านพูดถึงทุกสมุทัยนิรโรธมรรคหลักของอริยสัจสี่หลักของอริยสัจ4นี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านบรรลุบรรลุเองไม่เคยมีใครสอนพระองค์ที่ว่าสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ตรัสรเองโดยชอบ ก็คือมาตรงนี้แหละไดยเห็นที่ว่าพระองค์ได้บรรลุด้วยอริยะหลักอริยสัพสีนี่แหละไม่เคยมีใครสอนบรรดาฤาษีชีไฟต่างๆเขาสอนเนี่ยเขาสอนอย่างอื่นไปแต่ว่ามันไม่มีความรู้มีความสามารถไม่มีสติปัญญาแหลมคมพอที่จะมาเจาะทะลุทะลวงเห็นช่องทางตรงนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านทําได้ด้วยบุญญาบารมีของพระองค์ เพรานันท่านไปศึกษาที่นุนกันแล้วศึกษาที่นี่กันแล้วศึกษากับดาบฏศึกษาอุทกกับดาบทอลาระดาบทกันแล้วก็ไม่เป็นช่องทางที่จะได้มนดูยธรรมตอนหลังมาค่ะมาพิจารณาหลักของเหตุผลนี่แะย้อนไปย้อนมาไล่ไปไล่มาไล่มาไล่ไปไล่ไปมาไล่มาไล่ ไ, ลไปก็เห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลก็ เ, เ, อเอาตะปัดทำนั่นแหละแผ็ดเผาแผ็ดเผา อวิชาที่มีอยู่ภายในกิตให้เหือดไปแห้งไปแปรเผาได้ที่ก็เหือดไปแห้งไปแล้วก็ดับไปแล้วก็หมดไปก็เลยเกิดยานรู้ว่าโปที่จะเรียบอาสวะขยายานร้ว่าอาสวะของโปรสิ้นแล้วหมดแล้วพบชาติของโปรหมดแล้วจบแล้วงานการที่จะต้องทําให้ยิ่งใหญ่ไปมากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมไม่มีอีกแล้ ว, ลวคือท่านสอนทรงสอนเรื่องหลักของเหตนและผลเท่านั้นเอง แม้แต่พระอาสิจิพระอาสิจิสอนสั้นๆกับภาษารีบุตรไ็่เช่นเดียวกันภาษาที่บุตรได้เป็นพระโสดาบันเพราะฟังธรรมของพระอาสิจินะภาษารี่บุตรเนี่ยภาษารี่บุตรเนี่ยท่านมีเพื่อนคือพระโมคคัลลานะนะภาษารีบุตรชื่ออุปติสสะพระโมคคัลลานะคือโกลิตต์พ่อทั้งสองคนเนี่ยเป็นนายบ้านทีนี้ทั้งสองเนี่ยตั้งแต่เด็กๆมาจนวัยรุ่นไปเที่ยวไป ไปดูมรสศพที่ไหนก็ไปด้วยกันไปกับบริษัทบริวาร น, นั่นแหลมีอยู่ครั้งหนึ่งไปไปดูมรสศพเกิดความสลดใจดเราจะมาหลงเพลินอะไรกับพวกพวกนี้และพวกนี้จะมีอายุยืนไปสักเท่าไหร่แล้วเราจะมีอายุยืนไปสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็ตายเดี๋ยวเขาก็ตายแล้วเราไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรอทุกครั้งไปเที่ยวไปดูแล้วมีความเพลินใจตกทั้งวันบ้างอะไรบ้างมีความเพลินไปเป็นวันวันไป มีความเพลินเพลินไปเป็นวันวไปทีนี้ตอนหลังหมากเลยมาออกบวชออกบวชเป็นอาชีวะภาษารีบุตรพระโมคคลานะมาออกบวชเป็นอาชีวะเป็นอุปการชีวะมาออกบวชเป็นอาชีวะนี่แหละออกบวชเป็นอาชีวะมีการเรียนมีการท่องจํามีการถามมีการตอบโต้มีอะไรอะไรกัน ต่างคนต่างมีบริษัทบริวารคนละรวมกันแล 500, ้วห0คนละสองพัคนละพั้ต่างคนต่างมีบริษัทบริษั ท, บ ร, ษทบริวารคนละ250รวมเป็น500ร้แล้วก็แล้วก็พอหลังจากบวชแล้วก็ไปอยู่เป็นลูกน้องของไอ้สัญชัย ไปเป็นลูกน้องของสัญชัยไปเป็นลูกศิษย์ของสัญชัยไปเป็นลูกศิษย์ของสัญชัยไปอยู่กับสัญชัยก็ทําอะไรก็อเหมือนกับว่าไม่มีอะไรก้าวหน้าพอที่จะให้เป็นที่มั่นใจว่าจะได้จะจะได้คุณธรรมอะไรเกิดขึ้นบางอันเถิดหลักที่ของสัญชัยทีนี้มีทีนี้ ท, นทีนี้ทั้งสองคนหลังจากออกบุญแล้วก็ สัญญาว่าถ้าใครได้คุณธรรมก่อนให้บอกกันนะถ้าพระสารีบุตรได้ก่อนคุณธรรมก่อนให้บอกกันถ้าโมคลานะได้ก่อนให้บอกกันเนี่ยนี่มีวันหนึ่งแหละพระสารีบุตรไม่ได้ไปกับพระโมคลานะไปโดยลําพังกับบริษัทของยศของไปบินทบาต ท, ทีนี้ไปไปพบพระอาสิชิบินทบาตเห็นรัศมีเห็นกิริยาอาการการเดินกัน ยืนเห็นความของใสเห็นอะไรอะไรเกิดความเพื่อมใสเดินตามไปตามไปเดินตามไปนะไปไปถามธรรมะโอ้เห็นกิริยาผิวพันท่านผองใสใครเป็นครูใครเป็นอาจารย์ของท่านท่านจิตใจคำสอนอาจารย์ของท่านด้วยเหตุใดพระอาซิจิก็เลยบอกสั้นๆว่าเราพระอาศาิจิก็เป็นพระอาารทันต์เลยนะตอนนั้นนะแต่ท่านตอบอย่างถ่อมตน เราเพิ่งเข้ า, ขามาใ น, ในธรรมะคือเพิ่งเข้ามาในสมณธรรมนี้ใหม่ไม่มีความรู้มากมายกว้างขวางนี่ภาษารีบุตรท่านก็นเลิกโดยปัญญาอยู่แล้วเออไม่บอกย่อๆมาก็พอละท่านยิงยกอเยธรรมะเหตุุพพวาเนะ่ยมาบอกจริงได้เกิดแต่เหตุพระาศาสดาตรัสความดับผิดเกตุเหล่านั้นและพระธถาคตแสดงอย่างนี้ย่อมแสดงอย่างนี้ สิ่งใดเกิดจากเหตุสิ่งนั้นดับเพราะเหตุพระธาธรรมคดสิ่งไใดเกิดจากเหตุพระธถาคตตัดเหตุแห่งสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็คือหลักของอริยสัจสี่นั่นแหละพอพระสารีบุตรฟังฟังีจบก็ได้เป็นปสุตดาบันรนุษย์ทำเป็นปสุตดาบันคือเข้าถึงหลักของเหตุและผลเห็นไหมเข้าถึงหลักของเหตุและผลเข้าถึงหลักของอริยสัจสี่เข้าถึงหลักของเหตุและผล คือทราบเหตุของกายว่าเป็นมาเป็นมายอย่างไงทราบเหตุของจิตว่าเป็นมายอย่างไรทราบเหตุผลเรื่องของเหตุของผลนะพอได้บรรลุเป็นพระโสดา บ, บันเสร็จแล้วถามทันทีว่าโอ้พระศ า, าสดามาเราประทับทรงประทับอยู่ที่ไหนนะรู้เลยว่านั่นพระศ า, าสดาเป็นพระศาสดาเจ้าของเพระาะธรรมเข้าถึงใจแล้วเนี่ยเลยพาบริษัทบริวารไปไปเฝ้าพระพุทธเจา้าแต่ก่อนจะไปเฝ้านี่ย กลับกลับไปที่สำนักสัญชัยก่อนไปบอกพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะได้ฟังได้เป็นได้เป็นพระโสะดาบันต่อจากภาษาริบุตรนะนี่ไหมภาษาริบุตรนะ่ะไปไปไปเล่าเรื่องธรรมะอันนี้ให้พระโมคคัลลานะฟังพระโมคคัลลานะได้ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสะดาบันทั้งสองจากนั้นแล้วออกจากสัญชยัยเลยสัญชัยนี่ก็เสีย อ, อกเสียใจไม่อยากให้ออกมีการตอบโต้กันมีอะไรตัวอะไรกัน ก็มีการถามกันเพราะพวกนี้เขาชอบตั้งประเด็นตั้งคําถามแล้วก็ตอบกันไดทัสัญชยัยชวนชวนสัญชัยไปกราบพระพุทธเจ้าด้วยชวนไปเฝ้าพร ะ, พระศ า, าสดาด้วยสัญชัยไม่ไปไม่ไปทีนี้วันจะไปเฝ้าพระสัมามาสมพุทธเจ้ไปกราบพระศ า, าสดาเหมือนั้นเถอะชวนสัญชัยไปด้วยสัญชัยไม่ไปเลยมีการถามกันมีการตอบโต้กันไม่ไปเราไม่ไปอะ แล้วก็มีการถามว่าเธอคิดว่าคนในโลกนี้คนโง่ามากกว่าหรือคนฉลาดมากกว่าพระสารีบุตรก็บอกวาอ่าในโลกนี้คนโง่ามากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กับคนโง่เธอไปหาคนฉลาดไป <c oughs> เขามีการตอบกันจากนั้นมาพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็เลยพาบริษัทบริวารทั้งห้าเฝ้พาพระพุทธเจ้าบริษัทบริวารก็ฟังเทศไม่นานก็ได้บรรลุธรรมไปตามๆกัน พระโมกคันลานะเนี่เท่าไหร่นะสิบห้วันเนืออะไรเนี่ยได้บรรลุธรรมภาษารีบุตรเนี่ยหนึ่งเดือนเนื้ออะไรเนี่ยได้บรรลุธรรมได้บรบรุ้เป็นพระอรหันต์อันนี้คือเราพูดถึงหลักของเหตุของผลสืบสาวเราเรื่องมาจนถึงหลักของอริยสัจทั้งสอันสืบเรื่องมาจากหลักของกรรมที่เราพูดพูดมาตั้งแต่ต้นพวกเราได้ยินได้ฟังจับตรงไหนได้ก็เอาไปนึกคิดพิจารณา แล้วก็ย้อนมาดูตัวเราย้อนมาดูกิริยาอาการของกายของวาจาของใจของเรามันเกี่ยวกับกรรมยังไงเราพูดถึงกรรมเนี่ยเราสามารถจำแนกออกสองอย่างหนึ่งกรรมเก่าสอกรรมใหม่กรรมเก่าก็คือเราทําตั้งนานนั่นแหละแล้วก็กรรมก็ให้ผลมาทรงเรามาเกิด อ, อยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้มี รูปร่างอย่างนี้มีภาวะอย่างนี้มีอยู่อย่างนี้มีสติอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มีทรัพย์สมบัติมีบริวารใช้สอยอย่างนี้ทุกยากลําบากกันดารอย่างนี้กรรมนั้นก็ส่งให้เรามาเรื่องของกรรมส่งมานี่มันไม่ใช่ว่าจะส่งมาแล้วก็แล้วกรรมบางอย่างส่งมาแล้วก็แล้วกรรมบางอย่างยังไม่แล้วเราตายอีกเกิดอีกไหมรับผลอีกตายอีกเกิดเกิดอีกได้รับผลอีกก็เหมือนอย่างพระโสคาบันที่เคยฆ่าบิดามารดา ตายเกิดตายเกิดมนมารูปผีกับผีกันต้องถูกต้องต้องถูกเขาฆ่ามาทุ ก, ท, กทุกชาติห้าร้อยชาตอิอันนี้คือกรรมอันนี้คือกรรมเก่าที่คอยส่งผลมาอยู่เรื่อยๆแต่กรรมที่เราควรระมัดระวังที่สุดก็คือกรรมใหม่กรรมใหม่ก็คือกิริยาการทางกายทางวาจาทางจิตของเราที่จะแสดงขึ้นใหม่นี่แหละอันนี้คือกรรมใหม่กรรมเก่าเนี่ยเราแก้ไขอะไรไม่ได้ เราเพียงแต่เราลึกถึงแล้วเราก็ทำการเข็ดหลาบโอกาสที่เราจะดัดแปลงจากกรรมไม่ดีให้เป็นกรรมดีเราจะต้องมาดัดแปลงกรรมปัจจุบันนี่แหละจะต้องมาแก้ไขกรรมใหม่นี่เช่นอย่างกรรมเรากรรมใหม่เราไม่ดีเราจะต้องมาฝึกฝนอบรมให้ให้ให้เป็นไปในทางที่ดีใครอ่านดิเราจะมาค้างเพื่จะพาพิสากลับเนี่ย พากลับเลยได้เลยตอนนี้ตอนนี้เขาปกติแล้วใช่ไหมแต่ว่าก็กลัวว่าจะทักอีกคนะ่ะปกติเคยชักติดตดกันไหมชักติดกันคนะ่ะโอ้พวกเสนะียหายเราภาวนาอ๋อเรื่องนี้ก็ไม่มีใครทราบมาก่อนนะเราก็ไม่รู้นะได้ยินว่าชักรุนแรงเหมือนกันนะรุนแรงพวกอากัศ เออผ่าตัดสมองแล้วแล้วแล้วพามาแล้วใช่ไหมเนี่ยพามาแล้อยู่ในรถค่ะเออพามาแล้วอยู่ในรถเอาแล้วแล้วไม่ต้องเกเพื่ออะไรเพื่อชักกลางทางค่ะอเป็นคนขับรเออแล้วเรามาคนเดียวเหรอมาคนเดียวค่ะโอ้่าชีชีไหนชีรวมหรือชีไหนชีรวมค่ะบอก ใช่เซไปสีนครินเราก็จะกลับแล้วนี่นี่เราจะจะพาไปฉีนักคารินเลยเหรอไม่ค่ะเราพากลับบ้านก่อนพากลับบ้านก่อนอาก็ทอดติดต่อกันตู้เสแล้วกลับห้อตูเซนั่นเหรออ่ก็ได้เพานคอยู่ใล้โากะอก็ได้ไปเดินช้าทางทางมนก็เรื่อเออแล้วสองคนนี้จะเอาอยู่วะนี่ สอสามคนเนี่ยังเอาไม่อยู่เน่ยโอ้ยนี่เรากำลังพาพระลําพึงลําพันถึงเรื่องกรรมเนี่ยอืมก็ต้องพูดถึงเรื่องกรรมเ อ, อ, อ้ากลับนะเดี๋ยวมันจะดึกมากไปไปเส้นไหนเนี่เส้นช่องช่องชาติเลย ไ, <ป>ไปเส้นใหญ่ดีกว่าไปเส้นใหญ่ดีกว่าไปเออนี่มันเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันจะสี่ทุ่มแล้วเนี่ย จะสี่สทุ่มหกทุมก็ถึงแล้วแหละเราก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาเป็นยังงี้แต่เพียงแต่ เ, เขามาเล่าอาการให้เราฟังเราก็เราก็ว่าโอ้ไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนเราก็ถามว่าลูกเป็นไงครอบครัวเป็นยังไงเขาบอกไม่มีใครมา แต่เราก็คิดอีกทีหนึ่งคิดว่าเขาคงมั่นใจว่าเขาคงไม่เป็นไรก็เหมือนอย่างอีกหลายๆคนที่เคยเหยบให้ได้ป่วยแล้วเคยมาอยู่กับเราเป็นกายเป็นคราวเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรอันนี้เขาชักด้วยเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักมั่งเนี่ยพอเวลาขึ้นเหนือตาเหนือตาลานกันเนี่ยนเนหลวงพุทธกรรม เรอยู่ไปทิ้งที่ไหนมันไม่มีที่ทิ้งหรอกถ้าไม่ทิ้งใส่กรรมเรากําลังพูดถึงเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่กรรมเกรรม่าเรา แ, แก้ไขไม่ได้เราแก้ไขได้แต่กรรมใหม่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เข็ดลาบเราได้ทับความทุกข์ยากลำบากเราลึกได้ว่าเราเคยทําไม่ดีอย่างนั้นนะแก้ที่ปัจจุบันเนี่ยเราแก้ที่ปัจจุบัน แล้วย อ, อย่างอรอยิยมรรคอริยผลที่จะพึงัำเกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นกรรมใหม่นะที่เราจะพึงขวนขวายเราปกติถ้าเราประพฤติปฏิบัติไม่ถูกทางเนี่ยท่านจึงว่าวัด ต, ตัดสงสารนะมันเป็นมันเป็นขายมันเป็นตาขายกั้นเราไว้ครอบเราเอาไว้ตาขายของพวกองชาติเนี่ยวัด ต, ตัสงสาร ม, มันเป็นตาขายครอบเราเอาไว้ เราหาช่องหาช่องออกไม่ได้หาทางออกไม่ได้ถ้าเราไม่มีบุญวาสนาพบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งอโอกาสที่จะเราหาเราจะหาช่องออกไม่มีโอกาสที่จะหาช่องออกได้มันเป็นวิสัยของพระาศาสดาทนั้นที่จะตรัสรู้แล้วก็นําสิ่งนี้มาบอกมาสอนมาชี้ทางให้กับเราได้เมื่อบอกเมื่อสอน ก็ให้เราตัดกิเลสกรรมวิบากที่ท่านเรียกว่าวัฏฏว น, บ, นบอกว่าในใจของเรามีกิเลสท่านเลยให้พยายามละกิเลสพยายามตัดกิเลสถ้าเราไม่ตัดกิเลสเนี่ยวัฏฏสงสารก็มันก็ยังปกลองอย่างนั้นแหละมันไม่มีเงินต้นไม่มีเงินปลายมันุษย์จะไปจบตรงไหนไม่มีที่จบยิ่งพัฒนาไปเท่าไหร่ชีวิตจิตใจนี่ก็พัฒนาไปบนกองทุกข์ ทุกวันทุกเวลานาที่เราด루ที่เราอยู่บางทีเราก็ว่าเรามีความสุขอย่างนั้นต้องได้กระทบต้องได้อะไรต่ออะไรเจ็บแข่ได้ปวดอะไรยงได้อย่างนึงจนได้แหละเพราะฉะนั้นท่านเจ้าจริงสอนท่านจริงสอนให้เราตัดกิเลสและอะไรคือกิเลสท่านก็นมาจะแน่แจกแจงกมามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานะี่ยมันเป็นผลนที่เคลือบแฝงอยู่ที่จิตนะดูเข้าไปที่ตัณหาตัณหา ปัญหามัอยู่ทีจิตนะการมาันปัญหาใไขเกี่ยวกับเรื่องกาม ว, วัตถุสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงนั้นเรียกว่าวัตถุกาม ก, กิเลสกลิเลสสกามคือกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตนะมีความใคร่มีความกำนังในวัตถุอันเป็นวัตถุการกามปัญหาขยานอยากอยากได้ในวัตถุต่างๆเหล่านั้น แล้วก็ดิ้นรนแล้วก็สวงหาแล้วเกิดเรื่องก็แลร า, ราสราพัตซึ่งหาข้อยุติกันได้ยากยุ่งเหยิงวุ่นวายยิ่งกว่าหลงตาทั้งแบบยิ่งกว่ามุ่นยิ่งกว่าราภัยราไม่ไผนะ่ยิ่งยุ่งเหยิ ง, ย, งยิ่งกว่าร่างแทนมันะไม่รู้เงินต้นเงินปลายทาไมไม่ใช่วิสัยไม่ใช่คําสอนของพระศ า, าสดาเอามาแก้ไม่ได้ยิ่งแ ก, ก้ยิ่งพันยิ่งแก้ก็ยิ่งมัด คืออำนาจของตัณหาที่มันแสดงมันสร้างออกมาเนี่มันแตกหน่อต่อกันงออกไปเป็นร่างแห่งเป็นรับไผ่กามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาคืออยากเป็น้าเรียกว่าอยากมีอยากเป็นมันมาจากความอยากเท่านั้นะวิภาวะตัณหาก็คือไม่อยากมีไม่อยากเป็นแต่ถ้าเราจะ ว่าตามหลักสภาวะธรรมจริงๆวิพาวตัณหาก็คือเราไม่ยอมรับหลักความเป็นจริงปฏิเสธหลักความเป็นจริงปฏิเสธสิ่งที่มีที่เป็นตามคติของมันไม่ยอมรับตามคติของมันอะไรกว่าวิพภวตัณหาปฏิเสธความมีความเป็นอันนี้คือพลังของใจ กลางของใจที่แสดงออกมาเกี่ยวเรื่องกับเกี่ยวกับเรื่องตามเกี่ยวกับเรื่องความอยากมีอยากเป็นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการไม่ยอมรับสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่จริงตามอาวะของมันอันเป็นหลักของสัตว์จะทำท่านที่ให้มาศึกษากสต่างๆเหล่านี้เบื้องแรกให้ทําจิตให้ได้รับความสงบเพื่อระบนับไม่ให้ตัณหานี่มันสร้างออกให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวให้เราทําจิตให้ได้รับความสงบ จะนะครับพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปเพราะว่าตัญหามันพา ย, ยึดนู่นมันพา ย, ยึดนี้ยึดนู่นยึดนี้เกาะนู่นเกาะนี้สําคัญให้ความสําคัญสิ่งนู่นสิ่งนี้ไปกักสิ่งนู่นไปเกณฑ์สิ่งนี้เป็นเรื่องของปัญหาทั้งหมดออสาไปสาวไปสาวไปพิจารณาไปย้อนไปด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยความมุคมาณด้วยความอุตส่าห์พยาด้วยความสังสมอบรมด้วยความสร้างเสริมบรารมี นำนักเขา ค, ค่อยๆขยับไปเรื่ อ, อยขยับไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยจิตใจก็ปล่อยได้รับสมาธิจิตใจก็ปล่อยมีสติดีมีสัมผชัญญะดีรวมไปแล้วก็จิตใจก็เริ่มมีปัญญาจิตใจก็เริ่มเข้ารู้เข้าถึงสัจหลักของสัจจะหลักหลักของสัจจะก็คือมารู้กองทุกคือกองทุกกายคือกองทุกจิต สาวไปาสปาวไปสาวไปเพื่อยไปดูสาเหตุต้นต่อของของมันนั่นแหละไปตัวเจ้าเจ้าโลกอย่างสิริลมตาทั้งวัง น, นคือตัณหานั่นแหละอ่าสิงเรานั้นมันเป็นภาพลวงมันเป็นมายาที่แฝงมากับจิตแฝงมากับธาตรู้แฝงมากับผู้รู้เราเอาสติเอาสัมผัญญาสดเข้าไปใส่เข้าไปาศาสตร์สองเข้าไปเป็นการชักเป็นการล้างเข้าไปล้างเข้าไปล้างเข้าไป ในที่สุดจิตก็สะอาดจิตก็บริสุทธิ์จิตไม่มีปฏิกิริยาไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีราคาับไม่มีตัณหาเพราะทราบทุกสิ่งทุกอย่างตามภาวะมีจริงเป็นจริงนี้อยู่จริ ง, รงเป็นจริงตามภาวะของมันแต่ละอยา่างแต่ละอย่างเป็นได้โดยอัตโนมัติอันนี้เป็นข้อปฏิบัติ 11. สิ่งที่พาเราต้องเที่ยวไปวัฏสงสารไม่จบไม่สิน้นคือต้องตัดกิเลส เมือ่อเรตัดเกเรตายวิบากกรรมของจิตตรงนั้นก็ไม่มีจิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นกิริยาจิตไม่มีผลกิที่จะทําให้จิตดวงนั้นไปปฏิสนธิไปเกิดในปฏิสนธิวิญญาณไม่มีโอกาสที่จะไปปฏิสนธิวิญญาณอีกไม่ไม่ต้องไปเกิดเป็นในภพนั้นในชาตินั้นอีกก็คือก็คือจิต จิตไม่เกิดจิตไม่ดับจิตไม่เกิดจิตไม่ดับจิตเที่ยงจิต ค, คงทนจิตเป็นเอโกพีจิตเป็นอันเดียวไม่มีสังขารเข้าไปแทรกเข้าไปเกี่ยวข้องสะอาดล่ะบริสุทธิ์ละตอนนี้ไม่มีภพไม่มีชาตินีเมื่อเรารู้รับระจายหมดโมพาทานไม่มีโมพาทานไม่มีอโอกาสที่จิต จะไปหมายมั่นกับเรื่องนั้นหมายมั่นกับเรื่องนี้มันก็ไม่ไปมันก็ไม่ไม่หมายมั่นไม่มีที่ไม่มีที่จิตจะไปเกาะไปเกี่ยวไปคล้องไอ้ที่จิตไปเกี่ยวไปเกาะไปคล้องนั้นคือจิตเกิดพบมีพบแล้วก็เราจะต้องได้ไปเกิดที่เรียกว่าชาติไปเกิดในพบเมื่อเกิดแล้วก็ต้องเป็นเป็นมู่นเป็นนี้ไม่เป็นมนุษย์ก็เป็นสัตว์เป็นเทวดาเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นสัตว์นรกเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นตามอํานาจของกรรม ที่มันสั่งสมนี่แหละตามอำนาจของกรรมนี่แหละมันไม่มีที่จบมันไม่มีจุดจบเมื่อเรามารู้มาเข้าใจไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีอุปาทานไม่มีผบไม่มีชาติหมดถึงบรมสุขเทียวว่าปรังสุ ข, ขังอันนี้คือช่องคือทางคือวิธีวิถี เราจะประพฤติบัติปฏิบัติแล้วก็ก้าวไปก้าวไปตามไปให้ให้ถึก ท, ที่สุดอ่ะพอสมควรแล้วอันนี้ก็มาเป้าพ่ อ, องหมนนะั่ะพ่อป่วยตัวมันเองก็ทํางานก็ดูสิทุกตัวเองก็ทุกคนอื่นก็ทุกคนอื่นทุกตัวเองก็ทุกว่าเกีกเ่ยวกันเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นพี่เป็นน้องเป็นหมู่เป็นเพื่อนก็ดูเหมือนทุกเท่าไหร่ทุกกองเดียวเกิดขึ้นเกิดทุก hr. ทำตามเองเท่าไหร่เราหนให้มากดูให้เห็นดูให้เก็บให้เราเพรามันเพื่อจิตมันจะไปมันเคลินไปเพลินไปเป็นวันวันเป็นอย่างยางเป็นเรื่องเรื่อง มันจะทุกไปเป็นอย่างๆเป็นวันๆเป็ น, นเรื่องๆนึกคิดมากๆมันมันอยู่เนเร่องเปตัวทำให้เราเป็นตัวของตัวนี้ิดสลับในการที่นิพิจารณาทุกยืนทุกเดินทุกนา่ทุกนอนทุกกิริย า, าการทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รอบข้างตัวเรา